ยาีเรียเรื่องถึงจะบ้าแต่ข้าไม่ง่การละครหนึ่งกระทาชายสองนาย ชวนกันขับรถยนต์ออกไปเที่ยวนอกเมืองพอขับข้ามสะพานไม้เก่าๆข้ามคลองลึกแห่งหนึ่งตะปูบนสะพานก็ตายางรถยนต์เส้นหนึ่งแฟบลงรถหยุดอยู่กลางสะพานพอดิบพอดีทั้งสองก็กุลีกุจอลงรถออกมาดูแล้วก็จัดการนําแม่แรงขึ้นยกรถให้สูงขึ้นถอดฝาครอบล้อออกงายวางไว้ แล้วใช้ประแจถ อ, อดน็อตล้อทั้งสี่ตัวออกมานำไปใส่ไว้ในฝาครอบล้อระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านแต่งกายปอ น, ป อ, นปอนสกรปรกเดินข้ามสะพานมาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆกับรถยนต์นั้นกระทาชายนายที่เห็นก็ตะโกนบอกเพื่อนเฮ้ยระวังคนบ้านที่มาดูใกล้ๆเดี๋ยวจะเตะฝาครอบล้อ ทำให้ น, อหน็อกตกระเด็นตกน้ำแต่วินาทีนั้นเองเจ้าเพื่อนก็ไปเหยียบฝาครอบล้อนั้นพลิกควา่าน็อตล้อทั้งสี่ตัวก็กระเด็นลงน้ำในคลองทันทีทั้งสองจึงปรึกษาหารือกันให้คนหนึ่งเฝ้ารถอีกคนหนึ่งเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อน็อตล้อสี่ตัวฝ่ายชาวบ้านที่มายืนอยู่ใกล้ๆก็พูดขึ้นว่า ทำไมต้องไปซื้อเดี่ยวนี้ละ่ะเพียงถอดน็อตล้ออื่นล้อละตัวทั้งสามล้อมาใส่ไว้ก่อนแล้วค่อยวิ่งรถไปซื้อในเมืองทั้งสองเห็นจริงด้วยจึงจัดการเป็นที่เรียบร้อยชายคนนั้นจึงพูดว่าถึงจะบ้าแต่ข้าไม่งโง่หรอกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่ามองคนในแง่ร้ายเกินไปจงเผื่อใจและเปิดใจกว้างเพื่อรับสิ่งดีๆจากคนอื่นที่มอบให้กับเราด้วยไมตรีจิตที่สนิทใจ